นี่ไฟเรานั่งภาวนาและยุงเจาะจิตมันก็รวมยากกันนะมันกังวลจิตมันกังวลตึ๊บไปเกาะหูใหญ่แท้ แทงจือลงไปนึงตัวขั้นขั้นบงตัวก็ลึกเข้าไปก็แทบมันกลางบนร่างกายเป็นที่เดียวกันร่างกายเจาะตรงไหนก็รู้ถึงทั่ว ก, กันหมดยุงข้างนอกเจาะ เป็นยุงตัวแม่กระแพอีกต่างหาเป็นเดือนก็จะหายต้องมีน้ำเหลืองไหลเยอะเก่าจนเป็นแผลเราได้ทุกปีเลยปี ล, ปละแผลสองแผลแผลมันเนี่ยเวลามันหายไปแล้วเนี่ยดำดำเป็นก้อนอยู่นั่นแหะยุงมายุงแม่มายุงมันก็หากีนมันเจาะเราได้กินมันก็โชคดี มันก็มานมันแหละมันไม่ได้กินเรามันไม่เจาเราก็มานมันกินจนตายยิ่งยุ่งกินจนตายยิ่งจนออกกินจนออกก้นไปแล้วไม่ย่อยเมื่อกี่วันก็แข็งตายแล้วแต่ยังเขาว่าจะไม่ได้สังเกตดูไม่ได้จับขังมาดูยงุง เสนาสนะหรือวิหารทานเป็นที่กันสัตว์ร้ายกันเหลือบกันยงุงสลับนั่งปฏิบัติธรรมจึงมีอานิสงส์มากท่านพูดถึงอานิสงส์ของการเสียสละให้ทานนะบรรดาวัตถุทานบรรดาวัตถุทานนะท่านว่าวิหารทานเนี่ย ให้ผลนิสง์มากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดมากกว่าให้กับพระอรหันต์อีกมากกว่าให้กับพระสงฆ์มีพระรูปเจ้าเป็นพระมุกอีกมากกว่าให้พระสงฆ์พิษุนีสงฆ์มีพระรูปเจ้าเป็นพระมุกอีกหมายถึงการให้ทานธรรมดาที่เป็นวัตถุอันนี้เขาเทียบเอาไว้อย่างนั้นเขาเทียบเอาไว้ แต่ว่าผลมันยังไม่ชัดเจนต้องดูที่ใจของเราเราถึงจะชัดเจนความเริ่มใ ส, ส่ศรัทธาเต็มที่เต็มเปี่ยมถวายกับพระพุทธเจ้าโอ้ยมีอานิสงส์ขนาดไหนแล้วแต่ก็เทียบปันยากคนสมัยพระพุทธเจ้าน่ะคนสมัยพุทธกาลน่ะเป็นคนที่โชคดีเกิดในการที่เป็นสมบัติเกวากาลสมบัติ เกิดในประเทศที่เหมาะเกิดถูกมีแผ่นดินที่มีพระพุทธเจ้ามาอาบัติแล้วก็ประกาศธรรมเผยแผ่ธรรมเป็นคนที่เกิดในการในเวลาที่เป็นสมบัติไม่ใช่อวิบัติแต่ท่านพูดถึงอณิสง์ของวัตถุทานนะท่านพูดถึงวัตถุทานให้กับ สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์รู้ภาษาไม่รู้ภาษาให้กับสัตว์ตัวเล็กๆที่มองไม่เห็นอยู่ในน้ำปรารถนาให้มันได้ดูได้ดื่มได้กินสูงขึ้นมาอีกโดยลำดับให้สัตว์ตัวใหญ่ๆ ใ, ให้สัตว์รู้ถึงสาภาวะมาให้คนคนไม่มีศีลให้คนมีศีลให้คนมีธรรมให้คนไม่มีธรรมให้คนมีธรรมสูงขึ้นมาเรื่อยๆ ให้กับพโสดาให้กับพระสกิกาคาให้ให้กับพระอนาคาให้กับพระอรหันต์ให้กับพระสงฆ์พระสงฆ์ภิกษุสงฆ์มีระพุธเจ้าเป็นพระมุขประธานให้กับภิกษุณีสงฆ์มีพระุทเจ้าเป็นประมุขประธานก็ยังสู้วิหารทานไม่ได้เพราะวิหารทานอำนวยความสะดวกเรื่องกันสัตว์ร้ายกันเหลือบกันยุงนี่เอง การสัตว์ร้ายกันเหลือบกันยุงดูแต่เรานั่งให้ยุงเจาะเมื่อีลองดูดูอมันกวนใจเราไหมมันกวนใจเรานะกวนใจคันโอ้มันแทงจนเนื้อหนิย่อนไปเลยอะมันสะดุ้งเข้ามาเองไปเลยคันคันแสบแสบมันกวนใจมันกวน จิตนี้ถ้ามันไม่อยู่ในภาวะที่มันจะสงบได้มันก็จะสงบไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่อบอ้าวอยู่ในบรรยากาศที่แออัดอยู่ในบรรยากาศที่ถูกเวทนารบกวนเนี่ยมันก็สงบได้ยากมันก็รมมาได้ยากใช้อารมณ์ไม่ถูกที่เขาเรียกว่าบริกรรมอารมณ์ที่ไม่ถูกจิตมันสงบยากมันมันก็เลื่อกมกันเราก็สังเกตดูเราได้ ช่วงนั้นไม่มีอะไรกวนร่างกายก็อบอุ่นพอดีพอดีท้องไม่ตึงจนเกินไปท้องไม่แฟกไม่หิวจนเกินไปท้องไม่ออกปวดแสบปวดร้อนเป็นโรคกรนะเพาะเนี่ยยันสบายพอดีปลอดโปรง่งเบา เ, ออเบาเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรกด <c oughs> เหมือนไม่มีอะไรถ่วงทางด้านจิตใจก็ไม่คร่าคร่าเครียดคร่าเคร่ง ปลอยเบาสบายไม่ได้เกาะเกี่ยวกับอุปาทานส่วนไหนอันจะเป็นเหตุให้จิตงดหงิดฟุ้งซ่านจิตม็ตลํามขมาตํลมขมาสติ็มัดขมามัดขมาสัมปชัญญะ็มัดขมารู้ตัวขมามัดก็มารู้ตัวก็มาสงบขมาสงบขมานิ่งคิงนิ่งแนวความสงบของจิต มันก็เลือกที่สงบมกันมันก็เลือกมันก็เลือกอารมณ์สงบเหมือกันเราสังเกตดูรจาจะรูอ้อยู่ท่ามกลางคนจอแจวุ่นวายมีสัญญาเรา ม, มาสอมาส อ, มาสอดมาแทรกท่านจึงว่าเสียงเป็นอุปสรรคเสียงเป็นอุปสรรคเสียงมันว่ากวหนหะูหูก็หูเนี่ยหูก็เป็นรูป เสียงมันมากวนหูหูกับจมูกกับลิ้นกับกายนี่มันก็อันเดียวกันมันจมูกเ ส, สียงมากวนหูรูปกวนตาแต่ท่านเรานั่งหลับตาแล้วบางทีรูปที่เป็นรูปารมเนี่มันมากวนเสียงกวนหูเสียงเป็นข้าศึกแห่งความสงบเห็นหมมันกวนไหมขวนหูห คลิ่นกวนจมูกเราไปนั่งภาวนาใกล้โรงครัวลรงดูดูทั้งผัดทั้งต้มทั้งแกงทั้งอะไรไกลไอระเหยมันมาเข้าจมูกอ่ะมันกวนจมูกมเหนไหมงบไม่ได้ดอกนะกวน ล, ลิ้นกวน ล, ลิ้นก็คือไม่ใช่ว่าเราจะอมนู้นอมนี้ดอกมันอาจจะนั่งปรุงก็ได้นะนึกถึงตำปองเงี้ยใส่มะนาวส้มส้ ม, สมหรือนึกถึงมะม่วงอ่ อ, อ น, ออน ปรดกแซบแสบจิ้มน้ำลายเยิ้มเนี่ยน้ำลายเยิ้มขึ้นมาทันทีกวนลิ้นเห็นไหมรสมันกวนลิ้นสัญญามันปรุงสัญญามันปรุงแล้วก็กายก็เหมือนอย่างกายถูกยุงสัมผัสให้มือกี้นั่นแหละจิ้มจิ้มยาวจิ้มสั้นอยู่นั้นถอนจิ้มถอนจิ้มอยู่นั่นแหละมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนพึ่งหลวงเนี่ยพึ่งหลวงมันต่อยตัวหนึ่งมันก็ก้นมันขาดแล้วอันนี้มันบกขาดแล้ว ปากมันเล็กๆถ้ามันไม่หักมันแทงแทงแทงจนถึงเลือดนะแทงไปถูกคุ้มขนแบบเข้าไปง่ายหน่อยเราไม่ปวดไม่แสบไปแทงถูกไม่ใช่คุ้มขนเน่เจ็บตรงไหนก็เจ็บหมดแทงไปถึงถึงเลือดมันดูได้ง่ายแป๊บเดียวก็เต็มท้องแล้วมาดูดคือเดี่ยวเต็มท้องและวถ้ามันเจาะถูกที่ดีมันจะไม่ปวด เจาะถูกฤีษที่ไม่ดีมันปวดมันคันนี่คือมันกวนกายตาหูจมูกลิ้นกวนตาหูจมูกลิ้นกายมันกวนกวนจิตทาให้จิตกังวลจิตไม่สงบนอกจากจิตเข้าลึกเลยรับรู้เกี่ยวกับเรื่องกายไปแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจิตพื้นๆแบบพวกเรานี้มันสงบยาก ท่านจึงให้ปรับนั่งปรับเราเองแหละเ ร, เ, รเรานั่งปรับเราเองทําไมเราจะเหมาะเหมาะกับจริตเหมาะกับนิสัยความสงบสะดวกสบายพอดีเคยได้ฟังฤาษีดิงดําท่านเล่านะท่านว่าอากาศมันร้อนท่นี้ท่านจะส่งน้ําเพรา ะ, ะนั้นเข้าไปในห้องน้ํารู้สึกมันเย็นท่านก็ไปนั่งไปนั่งภาวนาไนดะ้เลยนั่งภาวนาในห้องน้ําท่านสงบท่านไปสวรรค์ได้เลยว่างั้นนะ จิตท่านมักจะออกไปนู่นออกไปนี้จิตท่านสงบนู่นท่านไปขึ้นไปสวรรค์ได้เลยโปรยบนสวรรค์นอกจากโปรยบนสวรรค์แลโปรยไปนรกอีกโปรยไปได้ท่านเล่าท่านเล่าว่างั้นหรือพอเข้าไปแล้วมันเย็นอารมณ์สบายอารมณ์เป็นที่สบายใจมันก็สงบเย็น สิ่งเหล่านี้แหละมันกวนกวนใจของเราไม่ให้ใจของเราสงบกิเลสมันก็แทรกมากับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสนี่แหละกิเลสมันแทรกเข้ามาอพอเราสงบได้กิเลสมันแทรกเข้ามาไม่ได้กิเลสมันก็อยู่มันก็หยุดเป็นการตัดกระแสมันเอากระแสธรรมมาใช้แทนกระแสกิเลสกระสรรแสกิเลสแทรกเข้ามาไม่ได้สติกล้าปัญญาแข็ง บริกรรมพุทธพุทธอิมอิออออมอิมจนไม่เข้าปะไม่บริกรรพุทโธจิตก็อยู่ขึ น, นสงบเยือกเยนความสงบของจิตมีพลังมีอนุภาพมีความสุขมีความสุขถึงให้สงบและมีพลังพลังที่เราสะสมสังสมบ่อย ทำให้เราเอาพลังนี้เหละมาพิจารณาพิจารณากองสังขารที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นกองสังขารจะมาพิจารณาถ้าถ้าเอาจิตที่ไม่สงบมาพิจารณามันก็ยังถูกสิ่งเหล่านั้นกวนใจอยู่มันก็ดึงพอเริ่มต้ในให้เขาพิจารณามันก็มีสิ่งกว น, วนใจเราไม่สงบนั่นเ อ น, นเราพิจารณาเกิดความรู้เกิดปัญญามันก็โวนใจเราไม่ให้ไม่ให้มีปัญญาไม่ให้นิ่งไม่ให้ไม่ให้นิ่งอยู่กับอารมณ์ที่เรากําลังเพ่งพิจารณามันโวนใจเพราะฉะนั้นความสงบจึงเกือกูลกับการพิจารณาทางด้านปัญญาความสงบของจิตนั้นมันเป็นพลังสะสมเป็นพลังสังสมเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่นั่ เราชาร์จแบตเตอรี่กี่ลูกหลูกสิบลูกยี่สลูกสามสิบยิ่งร้อยลูกก็ยิ่งมีพลังยิ่งหลายหลายลูกก็ยิ่งมีพลังพลังไฟมันยิ่งมีพลังมันชาร์จมากๆสะสมมากๆมันก็ใช้ไปได้ทั้งหลายวันเนี่ยพลังสะสมของมันพลังสะสมในใจของเราที่เราสะสมความสงบกะเช่นเดียวกันแหละท่านจึงให้ทําบ่อยให้เจริญบ่อยจนเป็นอาจจินนกรรมอาจินวัด มันเป็นการเชื่องมันเป็นการชนินเป็นการเชื่องเป็นการชินต่อการรักษาจิตของตัวเองการรักษาจิตของตัวเองการภาวนานี่เป็นงานชั้นละเอียเป็นงานชั้นเยี่ย ม, ม เ, เมื่อกี้ก็พูดถึงวิหารฐานวิหารทานคือกุติหรือที่อยู่ที่อาศัยนี่แหละสลับนั่งปฏิบัติธรรมการจัดร้ายการเหลือบกันยุง่งไม่ให้มากวนนี่ ทำให้จิตเราสงบได้ง่ายพอจิตเราสงบเราก็เริ่มมีธรรมสมาธิธรรมเอาสมาธิธรรมพิจารณาให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาธรรมใกล้เข้าไปขยับเข้าไปข ย, ข, าาาขยับเข้าไปเกี่ยวกับทางมรรคทางผลขยับเข้าไปเข้าไปใกล้มรคไข่ใกล้ผลเป็นสถานที่อำนวยให้คนคนนั้นปฏิบัติธรรมได้ได้มรคได้ผลนี่มีในส่งมากอย่างนี้ ทีนี้เมื่อท่านได้มรรคท่านได้ผลท่านได้ทำท่านมีธรรมท่านโปรดเราท่านโปรดเราโปรดโปรดเราด้วยปัจจัยสี่ปัจจัยของเราก็มีผลมากมีอานิสงส์มากนอกจากนั้นแล้วท่านก็เอาธรรมะโปรดเราอีกธรรมะโปรดเราก็คือข้อข้อข้อบอกข้อสอนข้อประพฤติข้อปฏิบัติเพื่อความเพื่อการชะ ล้างจิตให้เป็นเหมือนท่านให้ได้รับความสงบให้ได้รับความรอบรู้ให้ได้รับปัญญาเข้าไปใกลม้มรรคเข้าเข้าไปใกลใกล้ผลได้มรรคได้วสัสดุได้พระสกีทาคาได้พระอนาคาได้พระรานันต์ด้วยแล้วก็สุดไปเลยนั่นนี่ท่านพูดถึงผลตรงนี้อันนี้สงฆ์ตรงนี้แล้วมันนั่งไม่หมดซะด้วยนะกุฏิกุฏังนั่งไม่หมดนั่งที่นั่งหมดทั้งวันทั้งคืนกุฏิมันก็อยู่เท่าเดิมหมดไม่เป็น แต่ผลรายได้ที่เราไปเก็บไปตักตัวเนี่ยมันมีผลมากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกุฏิเล็กกุฏิใหญ่เท่าเดิมใช้ไม่หมดลองใช้ดูสิแม้แต่กระต๊อบเหลเนี่ก็ใช้ไม่หมดนู่นกระต๊อบเหล่านะใช้ยังไงมันจะหมดขึ้นเป็นนั่งยังไงมันจะหมดเออแล้วอันนี้สองมันเท่าไหร่รักษาให้ดีไม่ปวกเจาะไม่ปวด ก, กินเนี่ย มันยืดยาวไปเท่าไหร่คนนั้นก็ได้นัง่งคนนี้ก็ได้นัง่งคนนั้นก็ได้หลับได้นอนหลับนอน ส, สบายสอีกยุงไม่เจาะไม่กวนมันสบายทุกอย่างต่หมายถึงกติที่มิดชิดนะยุงเข้าไม่ได้แต่กติยุงเข้าไปวกวนก็เมื่อเรานั่งบนสลานนี่แหละยุงมากวนนี่แหละมีมุ้งมีมุ้งกลางมีมุ้งกรดมีมุ้งลวด ยุงไม่เจาะยุงไม่กวนเราเกิดมาในโลกยุงมันก็เกิดมาในโลกเราอย่าว่ามันแย่งแย่งชิงเรามาเกิดไม่ใช่เรานี่ยแย่งชิงมันมาเกิดแย่งชิงมันตัวใหญ่กว่ามันแย่งชิงมันตัวใหญ่กว่ามันเอาเปรียบแล้วเกินรุมอ้าวเพราะเรารุมรุมรุมมาเห็นปะก็เง่าเง่าเง่าเง่ามาละมาขอมารุมหนึ่ง ไม่มีเรามันก็ไม่มีอาหารกินสัตว์ในโลกเกิดมาเป็นอาหารแก่กันเลยกันดูสิรัดสัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเคยเห็นไหมในสารคดีเสือตัวเล็กๆนะสี่ห้าตัวนะ่ะโดดขึ้นหลังช้างนะ่ะการกัดกัดจนตายอนะ่ะช้างตัวใหญ่ๆอ่นะเสือเนี่ยมันจับตัวไหนนะ่ะนิ่งอยู่ตัวนั้นนะขยับไม่นั้นนะ่ะขยับรัดขยับรัดขยับรัดขยับรัด เล็บมันทั้งทั้งหมดนั่นแหะเล็บมันกับปากมันเนี่ยทางานพอๆกันเลยจับตรงนั้นอีกงับเข้าไปเลยยิงดิน่นรัดยิงดิน่นยิงรัดยิงดิน่นยิงรัดเล็บก็ยิงเจาะเข้าไปลึกรัดอดิ่นยิงดิ่นยิงรัดยิงดิ่นยิงรัดอยู่เคียงนึ่งไอ้ตัวที่มันฉลาดมันก็โดดกัดคอตรงหลอดลมเนี่ยโดดกัดเลยกัดอยู่นั่นแหละไม่ปล่อย มันจะดิ่ดมันจะดิ่ดไปเท่าไหร่ไม่ปล่อยเราเห็นแล้วในสารคดีตายเอ็งแหมงช้างตัวใหญ่ๆ่ตายตัวเล็กกินตัวใหญ่ตัวใหญ่กินตัวเล็กก็เหมือนพวกข้าวปลาอาหารที่เรากินนั่นตัวใหญ่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กมนุษย์กินสัตว์สัตว์เล็กก็กินสัตว์ใหญ่ก็กินเนี่มนุษย์ก็เบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้เราจะเห็นความแปลก ปาศัอา จ, จ, จาย์นพิสดารบนโลกบนโลกมนุษย์นี่แหละมีมากมายมหาศาลที่จะทำให้เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามันเป็นข้อเทียบเคียงอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชอบอะไรไม่ชอบมีเราพูดถึงอนิสง์ของวิหารรัฐทานให้ที่อยู่ที่อาศัยเท่ากับให้ทุกสิ่งทุกอย่างตลอด ให้ที่อยู่ที่อาศัยเช่ากับให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีน้ามีท่ามีน้ำที่อาบมีที่สงมีที่หลับมีที่นอนมีที่กินอีกมีที่ขับที่ทายดีไม่ดีมีผ้ามีอะไรสำหรับไว้ใช้สอยอยู่ในนั้นพร้อมหมดเหมือนเทวดาเขาไป็นรมิตให้พระเวทพระเวทสันตอนนั่นแหะเทวดาเขาไปนรมิตให้นรมิตบรรณศาลา บรรณาศาลาแปลว่าศาลาที่มุงด้วยใบไม้บรรณแปลว่าใบไม้บรรณศาลาศาลาที่มุงด้วยใบไม้เข้าไปในนั้นมีเครื่องประดับหมดมีเครื่องทรงหมดสลับเป็นฤาษีมีมีฉดามีผ้านุ่งมีผ้าห่มมีฉดามีรูปคำมีของอะไรสลับฤาษีมีพร้อมอยู่ในนั้นหมดเอานั้นมาสวมเอานี้มาใส่บุญท่านมีบุญ พร้อมหมดท่านมีบุญพร้อมหมดมี้ามีถาเนรบิดให้หมดมีสะมีดอกบัวมีอะไรเนรบิฏให้หมดคนมีบุญให้ที่อยู่เท่ากับให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราพิจารณาดูอย่างนี้แล้วเราตะล่อมมาที่คอปฏิบัติของเราเหมือนกับเราฝากธนาคาร เหมือนกับเรามีเงินเข้ามลูลนิธิฝากธนาคารเอาไว้อเขาไม่ให้ฝากเฉยเฉยนะเขามีดอกให้นี่เราบุญนิธิบุญนิธิขุมทรัพย์คือบุญก็เหมือนกันพระเจ้าท่านจึงให้ระลึกถึงบุญเก่าการระลึกถึงบุญเก่ามันเป็นการเพิ่มบุญให้เกิดขึ้นมาใหม่ที่เราระลึกไปเราปลื้มใจระลึกไปแล้วก็ปลื้มใจโอ้เราเคยทํานั้นทํนเราปลื้มใจ ความปลื้มใจใหม่นี้เป็นบุญใหม่เป็นกุศลใหม่มันเพิ่มขึ้นจากอันเก่ามันเพิ่มขึ้นจากอันเก่ามันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันของจิตนั่นแหละพอมันนึกถึงคุณงามความดีปั๊บมันพลื้มใจมันดีใจมันเบาใจเปลิดเพลินใจท่านจึงให้ให้เราลึกถึงบุญที่เราทําไปแล้วล่วงไปแล้ว่งเนืองๆบ่อยๆ แต่ตรงกันข้ามไม่ให้นึกถึงบาปบาปนึกถึงแล้วก็แทงใจนึกถึงแล้วก็แทงใจนึกถึงลแล้วก็มือกับพิษนึกถึงแล้วก็แทงจึกนึกถึงแล้วก็แทงจึกแต่ถ้านึกเพื่อเอามาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงมาแก้ไขอันนี้ขวร น, นึกเอ อ, อยางงั้นไม่ดียังงั้นอันนี้ไม่ดีอย่างนี้เราขยับจากนั้นมาเป็นอย่างนี้จะดีกว่าตรงนั้นถ้าระลึกแบบนี้ระลึกได้ประโยชน์ท่านก็ให้ระลึก สรุปแล้วก็ระลึกได้ทั้งบุญลึกได้ทั้งบาปมีสติกำกับอยู่ในปัจจุบันมันก็เป็นอารมณ์ในปัจจุบันไม่ให้กิเลมสมาแทรกเข้ามาเราก็เอาวิธีการนี้แหละมาฝึกมาซ้อมสมถาเอ้ยวิปัสสนาเอ้ยพิจารณานิจังทุกครั้งอนัตตาให้จิตได้รับความสงบให้เกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารเราก็ใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือเหล่านี้และพิจารณา มันก็จะมีอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่ที่ใจดูอะไรไปก็ไปกองอยู่ที่ใจนั่นแหละเครื่องมืออะไรก็ตามมันไปกองอยู่ที่ใจนั่นแหละว่าแต่เรามีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะดึงสิ่งเหล่านี้มาใช้เกิดประโยชน์ได้อเครื่องไม้เครื่องมือมีพร้อมอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในใจของเราอืไม่ต้องโอ้ยไม่มีเครื่องมือไว้ตั้งใจว่าจบสิ่งนี้จะไปภาวนามไม่มีอะไร เป็นเครื่องมือไปจ่ายตลาดก่อนเอาเครื่องมือมาไม่ใช่อยู่ที่การเตรียมใจของเราให้พร้อมเตรียมเวลาพร้อมปากท้องให้พร้อมเครื่องนุ่งห่มให้พร้อมทุกอย่างย้ายมันเกิดความกังวลสดวกสบายนั่งภาวนาจิตก็ได้รับความสงบไม่จุนจานไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านหวังจะเอาบุญจากการภาวนาเสียสละมุ่งมัน่น เต็มร้อยต้องการให้เกิดปุ่นเต็มร้อยจึงได้รับความสะดวกสบายเพียงแต่เราย้อนมาปับ๊บย้อนมาที่ใจของเราขอปฏิบัติอยู่ตรงนั้นย้อนมาที่ใจของเราขอปฏิบัติอยู่ตรงนั้นย้อนมาที่ใจของเราข้อปฏิบัติอยู่ที่นั้นเราก็มาทําผลปรากฏขึ้นใหม่ๆ ใ, ในใจของเราเราก็รับทราบแกเราเองนโอ๊กนายกน้อมเข้ามา ปัจจตังเวดิตะโบวิญโยวินโยพึงรู้จำเพาะตนอันวินโยพึงรู้จำเพาะตนเราดูไต่เวลาใจมันโกรธเรารู้ไหมเราก็รู้เวลาใจมันหมดโกรธเรารู้ไหมรู้เราก็รู้เวลาใจมันเกิดบุญใจส ง, งบใจแเพ่าๆอ่อนโยนมีปัญญาเรารู้ไหมเราก็รู้ สิ่งที่เป็นธรรมสิ่งสิ่งที่เป็นร่องรอยของธรรมสิ่งที่เป็นเงื่อนงําของธรรมเราก็รู้ศึกษามาที่นี่ย้อนมาที่นี่เราได้ข้อศึกษาแล้วก็ได้ข้อปฏิบัติอย่าไปนึกสับสวนอุ่นวายไปอย่างอื่นไปที่อื่นโอ้ยตรงนั้น ท, ทํ า, าทไมท่านพูดอย่างนั้นตรงนี้ทําไมท่านพูดอย่างนี้ท่านก็พูดตล่อมข้อปฏิบัติแหละเราไม่ต้องไปตล่อมถามทันเราก็นึกมาที่จิตของเราที่ผู้รู้ของเรานะตามต้นกันอยู่นี่แหละ ถ้ามันไม่อยู่อันนี้มันก็ไปอยู่กับคําพูดที่ท่านแสดงทำงั้นมันก็เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่อยู่กับอ น, นั้นเราก็มาอยู่กับอันนี้การที่เราตามต้อนอันนี้แหละนี่แหละคือร่องรอยของเราเป็นเหตุให้เราปัจจิตตังให้กับตัวเองได้ปัจจิตตังแปลว่ารู้เฉพาะใจของเรามันรู้เฉพาะรู้ดีก็ชั่วรู้รู้ดีดีก็รู้ชั่วก็รู้รัก ก็รู้เมตตากรุณาก็รู้ชังก็รู้อิจฉาริษยาก็รู้รู้หมดถ้าเราย้อนมาดูเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ย้อนมาดูเนี่ยอิจฉาริษยานั่งนินทากันทั้งวันไม่รู้เรื่องว่าจะของนินทา น, นั่งเล่นตลกขนองทั้งวันไม่รู้ว่าจะของตลกขนองนั่งเพยเจ้อทั้งวันไม่รู้ว่าจะของเพ้เจ้อนึกโกรธคนนั้นทั้งวันน่ะไม่หยุด หม่ทำให้เราเก็บรกแคนนล้วเกินไม่รู้เพราะไม่เคยย้อนมาดูใจมันไม่สงบมันดิ้นมันอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละเราจะไปว่ามีอะไรมาขัดมาค้องมาคาไม่มีอารมณ์ของเราแหละมันขัดมันค้องมันคาเองผีเปรตพยามารชั่วร้ายที่ไหนมันจะเท่ากับกิเลสสมารในหวัวใจของเราไม่มี กิเลสมาในหววใจของเราเนี่แหละที่มันมัดให้เราตกค้างอยู่ในโลกมัดจุมารกิเลสมาเนี่ยมัดมือมัดตีนเราโยนให้กับมัดจุมารมัดจุแปลว่าความตายกิเลสมาเนี่แหละมันมัดมือมัดตีนโยนให้มัดจุอ่ามัดจุเอาไปถลุงมัดจุก็ไปสับๆตายตายอัตภาพร่างกายหมดสภาพ ไปหาจับจองใหม่อ้ า, อามีพลังแค่นั้นแค่นั้นพาไปจับจองใหม่อีกไปจับจองตรงนั้นตรงไห น, นตรงที่มันเหมามันสมนั่นนาะไปจับจองจับจองแล้วก็เกิดขึ้นอีกแล้วโผลขึ้นอีกแล้วล่ะโผล่ขึ้นอีกอ่าเป็นน้ําเป็นเลือดเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อโผลขึ้นมาอีกเลยถ้าเป็นสัตว์ก็เกิดในคันเกิดในไข่นะเป็นสัตว์นะ ดูเป็ดดูไก่ก Susan, ไไมันออกมาเป็นไข่ซะก่อนเป็นปภายเป็นหัวมันออกมุนเกิดในคันออกมาเป็นตัวถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ในคันออกมาเป็นตัวออกมาเป็นรูปร่างเหมือนเราเหมือนท่านนี่แหละทรงไปเกิดอีกกิเลสมันส่งเข้าไปอีกส่งมาอีกส่งมาอีกจับมัดมือมัดตีนให้พยามัดจุกอีกพยามัดจุราช ยามัจจุราชมันก็กำกับขันนี่แหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันนี่นีน ม, านมารกิเลสสมานขันธมานมัจจุมานนี่แหละมารเราไปหาที่ไหนคำว่ามารแปลว่าสิ่งที่ขัดขวางคุณงามความดีท่าเรียกว่ามารสิ่งที่ขัดขวางคุณงามความดีทุกอย่างทุกเรื่องท่าเรียกว่ามาร เหมือนพยามาณไปขวางพุทธจเจ้า น, นั่นแหละอันพยายาพยามาณไปขวางเอาฤทธ์เอาดดเอาด็ดไปขวางเท่าไหร่มันก็ขวางขวางไม่อยู่เพราะบุญบา ร, รมีท่านมากกว่าบุญบา ร, รมีของท่านนั่นมาล้อมกรอบเอาไว้ทํายังไงก็ไม่ถึงตัวท่านทําไงก็ไม่ถึงตัวท่านเหมบา ร, รมีพวกเราถ้าบุญบา ร, รมีเราแรงกล้านะเราก็เอามาล้อมกรอบตัวเราได้มาให้ยุ่งเจาะ ลองดูสิใครนั่งและยุงไม่เจาะแสดงว่ามีบุญบา ร, รมีมากอมาล้อมกรอบตัวเองไว้ยุงไม่เจาะบางทีบุญบา ร, รมีไม่มีท่านง่ายแผ่เข้าไปไม่อ่านประวัติท่านพอลีนะ่ะท่านนั่งแผ่จนมดแดงเนี่ยมันออกมันมารุมกัดท่านเต็มเลยนะมดแดงออกออกไปจับไปม้วนอยู่ข้างๆเสือเป็นกองเป็นกองเป็นกองมดแดง เราะท่นแผ่เมตตาให้กับมันกระแสเมตตามันมีแผ่้าไปพลังเมตตาท่านแรงพลังจิตท่านสูงท่านบรีพลังจิตท่านสูงไปอ่านอดประวัติที่นี่ขนาดลูกศิษย์นะภาษาพวกนะแสดงพระพุทธเจ้าจากขนาดไหนกรูกแต่พญา ม, มารมันไปยิงจรวดยิงดาวเทียมใส่นั่นมันไม่เห็นมีอะไรไปกระทบพระคายเครืองพระองค์ ไม่ถูกบุญบารมีมาล้อมกรอบร่วงหมดนะัยนนะเอาอะไรไปก็ร่วงหมดเอาอะไรอะไรไปก็ร่วงหมดเจ้าของแทบไม่ต้องทําอะไรมีสิ่งที่เป็นบุญมาคอยขีดมาคอยกัน้นอะไว้อ่างถึงคนที่เป็นปิจักพยานว่าใครเป็นพยานว่าวัชระ บ, บันลางเป็นของท่านนางแม่ธรณีก็โผล่ขึ้นมานี่หม่อมชั้นเพียงพระองค์ทําบุญกรวดน้ําติดมวยผมเล็กๆน้อยๆบีไพ่ดู เล็กๆน้อยๆเนียน่ยปิดท่วมท่วมกองทัพพญามารแตกแตกตื่นหมดเลยเลิกเ ล, ก เ, ลกเลิกล้มแพ้แพ้พระพุทธเจ้าเจ็บใจแล้วเกินเจ็บใจแล้วเกินน่ยตอนหลังมายังไงก็ไม่ชนะยังไงก็ไม่ชนะยังไงก็ไม่ชนะต้องกลับใจต้องกลับใจกลับใจเดิมเดินตามหลังท่าน ถ้าไม่กลับใจเดินเดินตามหลังท่านก็เป็นพญามารอยู่อย่างนั้นแหละ ย, ยังมีสิ่งที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจเหนือกว่าพลังของตัวเองนะเพราะฉะนั้นบุญบา ร, รมีพุทธบา ร, รมีจึงยิ่งใหญ่กว่ามาบรบารมีบา ร, รมีเพื่อความเป็นพญามารสู้บุญบา ร, รมีเพื่อความเป็นพุทธเพื่อเป็นพระสาวกพระอารหันตสาวกไม่ได้ ต้องตามหลังอยู่อย่างนั้นแหล ะ, ะพวกนั้นยังปิดทองอยู่ลเลยทูนไปติดหรือเปล่าทูนฮะทูนไปใช่ไหมทูนไปปิดทองอยู่ ต้นจปิดทองเดี๋ยวแท่นสองแท่นถ้าทำเสร็จให้ยกมาไว้บนสลาเนี่ยพรารูปเหมือนสองรูปนี่สององค์นี้จะยกมาไว้บนนี้เจ้าของเขาจะถวายเจ้าของเา็าเป็นสัญลักษณ์เอามาตั้งไว้ก็จะถวายเพื่นก็รอมา ทองนี่เราก็ให้เจงมาจัดการเจงเขาก็หาทุนหารอนอะไรมาจัดมาปิดทองเนี่ยทองก็แพงนะผองไม่ใช่ทุกๆนะปิดทองนะแผ่นละแปดบาทเนกะ้าบาททองนี่มันเขาเอามามื่นมื่นถลย์มื่นสองมื่นสามมื่นสามแผ่น สัญลักษณ์ของทองก็ดูเหลืองอารา ม, มแปลว่ า, าพูดถึงอา น, นิสงก์ก็โอ้สวยงามแปลว่ า, าคนที่ทํานี่ก็ต้องการอา น, นิสง์แล้วไม่ต้องการแต่เราทําลงไปแล้วมันมันเป็นขึ้นเองอา น, นิสง์ต้องการหรือไม่ต้องการ เราหนักเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันก็จะให้ผลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเพเหตุเหตุกนละเรื่องผลก็ต้องเหตุต่างกันผลก็ต้องต่างกันเหตุมุ่งหมายอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนี้เหตุปรารถนาเป็นทิพะจักสุปปรารถนามีทิพะจักสุเหมือนพระอนุรุทธาท่านก็มีในสงได้ทิพะจักสุเลยพระอนุรุทธา มีตาทิพตเขาว่าตาทิพตก็คือใจมันเห็นใจข้างในมันเห็นเห็นหมดอยู่ที่มืดอยู่ที่สว่างอยู่ในที่มีอะไรขั้นมองเห็นทะลุหมดพระอนุรุทธะมีความปรารถนามีนิสัยชอบอ่างนั้นเหมือนพวกเราเห็นคนชอบฤทธิ์ชอบเดชชอบอภิญญา น, นั่นแหละมันมีนิสยัยบางคนก็ชอบสุดวกสบายเอ้านาสงบ เออแค่ได้สงบก็่อาแล้วหละ่ะพูดถึงบรรลุ ธ, ธรรมเออแค่ได้บรรลุ ธ, ธรรมพอแล้วไม่มีคุณวิเศษอย่างอื่นออันนี้สองของการบรรลุ ธ, ธรรมก็แเยี่ยมพอแรงแล้วไม่ต้องการอะไรมากแค่นั้นพระอรหรันต์จึงมีหลายหลายจําพวกพระอรหรันต์พระเภทศพระเพรศเวทวิโชเนี่ย วิชาสามชละพินโยอภินยาหกหมายถึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนะพร้อมด้วยวิชาสามวิชาสามคือุูเพนิวาสารสาติญาณจะถูประปัญญญ า, ยาอาสวัคข ย, ยานวิชาสามอภินยาหกอภินยาหก วิวิเตวิโชชละพินโยพิสามพิทัพปัตโตบรรลุภารันพร้อมด้วยปฏิสามพิธาญาทั้งสี่กดขึ้นพร้อมกันโดยอนิสงที่มีความตั้งใจมีความปรารถนายอย่างงั้นอ น, นิสงเหล่านี้ก็ตามมาขึ้นชื่อประการกุศลทุกอย่างมีผลเมือ่ออเนสงตามมาทั้งนั้น เราอย่าเราอย่าไปเข้าข้างกิเลสเราอย่าไปเข้าข้างกิเลสเราจะทำอะไรเป็นเรื่องของสาธารณนะให้เราดูให้ชะละุแล้วเราก็ตั้งใจทำอย่าไปเห็นแง่อย่าไปเล่นแ ง, ง, ง่กับคนนั้นกับคนบนีน้กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้อย่าไปดูในแง่ได้เปรียบเสียเปรียบคนนั้นจะเสียเปรียบตัวเองแหละถ้าดูในแง่เสี ย, เ ป, เ, ป เ, ปสยเปรียบใดเปรียบเลยเฮ้ยเราทามากไปเสียเปรียบเขาไว ให้เขาเสียเปรียบเราบ้างอ่าให้เขาทํามากๆแท้ที่จริงเขาทํามากเลยเขาได้เปรียบเราเราทํามากๆเราก็ได้เปรียบเขากิเลสมันปแปลเราผิดนะนั่งใจนั่งหายใจฟอดฟคนอื่นคนหนึ่งเขาล่วงไปชั่วโมงหนึ่งเขามีผล ง, งานอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเนี่หายใจทิ้งไปเฉยเฉยหมดเฉยเหมดพลังงานเฉยเฉยไม่ได้อะไร วันนี้ก็ทิ้งพรุ่งนี้ก็ทิ้งวันไหนก็ทิ้งทิงแกมาเรื่อยๆแกมาเรื่อย ๆ, ๆไปแล้วโอกาสมีแล้วไม่เอาโอกาสมีแล้วไม่เอาไม่ตื่นตัวไม่รู้สึกตัวถ้าเรามองเห็นประโยชน์มันได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยประโยชน์ที่เป็นสาธารณจทิงที่เป็นสาธารณเนี่ยทำเพื่อตนก็ตามทำเพื่อคนอื่นก็ตาม สิ่งที่เป็นสาธารนณะอืตั้งใจทําด้วยความเสียสละมีผลมีอ น, นิสงฆ์ทั้งนั้นขึ้นเชื่อว่าเหตุและต้องมีผลขึ้นเชื่อว่าเหตุแล้วต้องมีผลแต่ต้องตั้งประเด็นให้ถูกอย่าไปเข้าข้างกิเลสกันแล้วกันถ้าเข้าข้างกิเลสมันเป็นการเอาตัณหานําหน้ามันก็เป็นการเพิ่มตัณหาสะสมตัณหาเพิ่มตัณหา จะพูดเราโค่นฉลาดโค่นให้ฉลาดฉลาดให้โอกาสกับตัวเองสำคัญที่สุดไม่หายใจทิ้ทงทำนู้นทำนี้ทำอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์เกิดประโยชน์หมดแค่นั่งตั้งเจ็ดจำนองแค่เช็ดเช็ดทูๆูะฉะล่างลางเดินหายเช็ดขี้กับ แ, แก่ที่มันไปแปดเพื่อน สถานที่ปฏิบัติธรรมนี่โอ้หนึ่งลองดูที่มีผลหรือไม่มีผลลองไม่เช็ดดูนะลองไม่เช็ดดูนั่งภาวนาเข้าจมูกแล้วเป็นไงเช็ดออกไปสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวนสถานที่สะอาดอา น, นิี้สองของการทำความสะอาดมีอานนี้สองของการทำความสะอาดจากในที่รกในห้องรกๆลงลง ในห้องรกๆอ้ตรงนั่งกะกะตรงนี้กะเกะนั่งก็เออันนี้ก็เอาร์ไม่เป็นระเบียบรักเกะกะเต็มไปหมดเสร็จแล้วลองไปตั้งไปจัดใหม่อันไหนไม่จําเป็นเอาออกไปปัดให้ดีไปเก็บให้ดีไปเมี่ยนให้ดีเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นของใหญ่ของหนักของเบาของให้ดูให้เห็นเป็นสวยงามด้วยแล้วยิ่งดีหลังจากรกๆแล้วก็มาทําให้สะอาด แล้วก็ดูไปที่มันสะอาดสอาดกับที่มันเสร็จไปด้วยน้ำผักน้ำแรงของเราแล้วก็ย้อนมาดูใจของเราเป็นไงดูที่ต่างกันไหมไปลองดูก็ได้ไปลองดูก็ได้ ไ, ด ไ, ดไม่เชื่อวันนี้พรุ่งนี้ไปลองดูได้เลยไปเห็นตามซอกตามแสกมุมตรงไห น, นที่มันรุกที่สุดหวาหัวงอตาเหลือเกิน ไปหยิบไปยกไปดึงมาฉะมาลางมาเก็บมาเมียนมาอะไรให้ต่ออะไรใดีแล้วก็ดูมาที่ใจตัวเองดูมานั่นผลเกิดขึ้นเนี่ยคนฉลาดมองเห็นประโยชน์คนประยัดฉลาดมองเห็นประโยชน์คนเดียวก็ทําหลายคนก็ทํำยากก็ทําง่ายก็ทําขออย่างเดียวอย่าไปตั้งประเด็นให้ถูกกับเรื่องของตันหา ถ้าตั้งประเด็นถูกเรื่องตัณหาเป็นการทำให้กับตัณหาแต่ตัณหามันจะไม่ทําทำหรอกถ้ามันทำปับ๊บมันต้องต้องหาเสียทหาเลยไม่มีผลรายได้ไม่มีผลกาไรวางไว้ให้มันมันไม่ทำถ้าเป็นเรื่องของตัณหาแต่ถ้าเป็นเรื่องของคุณธรรมมองเห็นผลที่จะพึงเกิดเสียสละปุ๊บเกิดปับ๊บผลเสียสละปุ๊บเกิดปับ๊บนี่คนเราในใจมันแยบคายไม่เท่ากัน ความฉลาดไม่เท่ากันละเอียดประณีตไม่เท่ากันผลรายได้จากผลงานผลกรรมจึงไม่เท่ากันาวันนี้พอสมควรก่เวลาสามทุมครึ่งพอดี